สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่เก้าสิบสี่สุภาษิตบทที่สิบหกข้อที่เก้าครับบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่เก้าสิบสี่สุภาษิตบทที่สิบหกข้อที่เก้าโปรดฟังพรจนะของพระเจ้าใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขาแต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขา โปรดฟังอีกครั้งใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขาแต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขา You may make your plan but God d i r e c t your actions You may make your plan but God d i r e c t your actions คนที่มีสติปัญญานน้นเขาจะกำหนดเป้าหมายและแผนงานของเขาไปสู่ความสำเร็จแผนงานของตนเมื่อถูกกำหนด ให้ไปสู่ความสำเร็จถูกวางไว้มอบให้กับพระเจ้าครับเมื่อเราวางแผนแล้วเรามอบให้กับเจ้าเพื่อพระเจ้าจะทรงอวยพรทรงนำอวยพรคนดีให้ชีวิตของเขานั้นเกิดผลดีและคว่าแผนงานของคนชั่วร้ายลงพระเจ้าปกครองชีวิตของเราได้ครับและมนุษย์เป็นคนที่จะนำเสนอแผนงานแต่พระเจ้ากาหนดจุดหมายปลายทาง พระเจ้ามีอำนาจชี้ทางเราได้ครับและนําเราได้ด้วยมนุษย์สร้างสรรค์แผนงานแต่พระเจ้ามีอํานาจสั่งการเมื่อมนุษย์ทําหน้าที่ตามาพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็จะทรงพอพระใยและทรงยินดีพระองค์จะทรงนํานชีวิตและแผนการของเราให้อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงอารักขาทั้งสิ้นของเรา ที่นะครับในเช้าวันนี้เราจะขอแนะนําวิธีการสามอย่างเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นได้เดิมตามแผนได้อย่างอัศจรรย์แผนงานของพระเจ้านั้นอัศจรรย์ครับแต่ก็ไม่ลึกลับเกินกว่าที่เราจะทําได้และเข้าใจได้เพียงแต่ขอให้เรามีท่าทีสามประการดังนี้ครับหนึ่งเราต้องมีท่าทีที่มอบแผนงานทั้งสิ้นของเราไว้กับพระองค์ในพระธรรมบทเดียวกันนะครับสุภาษิต บ, บทที่สิบหกข้อที่สามสุภาษิต บ, บทที่สิบหกข้อที่สาม ก็กล่าวว่าจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้จงมอบแผนงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้มอบแผนการของเราครับให้กับพระเจ้าต้องมีท่าทีเช่นนี้ก่อนประการที่สองครับท่าทีที่เราจะต้องคิดหาทางไปสู่ความสําเร็จของตัวเองด้วย การรอคอยคำตอบจากพระเจ้าพระองครับ พ, พระเจ้าได้ให้เรามีสมองคิดแผนงานวางแผนงานนะครับคิดหาทางนะครับต่อสู้ดิ้นรนมาด้วยความเพียรพยายามแต่ท่าทีนั้นก็คือการรอคอยคำตอบจากพระเจ้าอย่างนั้นเองมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเรานะครับดูเหมือนว่ามันจะไปช้าหรือยังไม่ได้รับความสำเร็จลืม แม้กระทั่งเราก็สงสัยว่าทําไมพระเจ้ายังไม่ตอบคอําอธิษฐานพี่น้องครับเราจะต้องมีท่าทีที่จะมุ่งไปสู่ความสําเร็จนะครับคิดหาวิธีวิธีการที่จะไปสู่ความสําเร็จคิดหาแผนการมอบแผนการไว้กับพระเจ้าและรอคอยคําตอบจากพระองค์ครับในขณะที่เราคิดนะครับเราทําเรารอคอยครับประการที่สามครับ เชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงดูแลรายละเอียดทุกอย่างพระเจ้าจะทรงดูแลรายละเอียดทุกอย่างเพราะเจตนาของพระเจ้าก็จะปรากฏอยู่ในพระธรรมจาุดีบทที่สามสิบเจ็ดข้อยี่สามพี่น้องลองเปิดอ่านดูนะครับด้วยสามท่าทีนี้ครับก็คือหนึ่งมอบแผนงานทั้งสิ้นให้กับพระเจ้าสองคิดหาทางไปถู่ความสำเร็จแต่ต้องอดทนรอคอยคำตอบจากพระองค์สามเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะดูแล รายละเอียดทุกอย่างขออย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าได้ทรงประทานใจให้กับเราเพื่อที่เราจะรักเราจะไล่ล่าหาความฝันเราจะทําในสิ่งที่เราชอบเราเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นพระเจ้าประทานใจครับฮาร์ตนะครับเป็นใจเนื้อที่อ่อนโยนเป็นใจเนื้อที่อ่อนไหวนะครับเป็นความคิดที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้น เราจะมีความชอบแต่ละคนแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการไล่ล่าหาความฝันทําในสิ่งเราชอบเป็นในสิ่งที่อยากเป็นนะครับก็ต้องพึ่งพาพระเจ้ามีท่าทีที่ถูกต้องเหมือนกับสามท่าทีขั้งต้นนั้นประเด็นต่อไปที่ผมพูดก็คือว่าเมื่อเรามอบทานให้กับพระเจ้าแล้วนะครับเราจะต้องเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระองค์เราจะต้องยอมรับสติปัญญาฝ่ายวิญญาณ นะครับแล้วที่เหลือพระเจ้าจะจัดการให้และพวกอย่าส่งกันทําให้สําเร็จพี่น้องครับอย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบในโลกนี้ในโลกนี้นั้นไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบเพราะเราอยู่ในโลกแห่งความบาปครับเพราะฉะนั้นหลายคนหาสิ่งที่สมบูรณ์แบบหาไอดอลตัวจริงนะครับหรือแม้กระทั่งเอฟเสลุดนะครับก็คือความสมบูรณ์ในเครื่องราวต่างๆนั้น หลายคนอาจจะเสียเวลาหาสิ่งนี้ครับทั้งชีวิตแต่ไม่พบถ้าเขาขาดพระเจ้าเขาไม่พบพระเจ้าเขาจะไม่มีวันได้เจอผู้ที่สมบูรณ์สูงสุดครับเพราะผู้ที่สมบูรณ์สูงสุดนะครับสมบูรณ์แบบที่สุดนั้นมีผู้เดียวก็คือพระเจ้าหากชีวิตของเรานั้นไม่พบกับพระองค์ไม่พบกับพระเยซูไม่พบกับพระเจ้า เราก็จะอยู่ในความสับสนวุ่นวายตลอดชีวิตหากเราไม่ยอมรับแผนการของพระองค์เราก็จะวนเวียนนะครับในการหาความหมายของชีวิตในสิ่งที่เราทำชีวิตที่ไร้พระเจ้าชีวิตที่ไม่ยอมมอบถวายให้กับพระองค์ก็จะวนเวียนวนไปเวียนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหันไป เทมาแต่เขาจะไม่มีวันพบกับความสุขใจและความพึงพอใจและความสำเร็จที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นแผนการของคนชั่วร้ายนะครับก็จะเป็นไปตามตรงกันข้ามสิ่งที่เขาวางไว้ก็จะขัดแย้งกับแผนการหลักของพระเจ้าแผนการแห่งความเป็นนิรันดร์ของพระองค์คนเหล่านี้ครับก็คือคนชั่วร้ายนั้นเขาจะถูกหลอกด้วยของที่อยู่โลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองเกียรติยศสักศักดิ์ศรีอํานาจนะครับอะไรที่เป็นวัตถุทั้งหลายและอะไรพี่ที่เป็นนามนธรรมซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อความหญิงยะโสพี่น้องครับดูผิวเผินนั้นเขาอาจจะประสบกบความสําเร็จนะครับแต่เป็นความสําเร็จชั่วครั้งชั่วคราวครับและโดยที่ในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นความสําเร็จนั้นก็จะตกเป็นของคนชอบทำในภายหลัง พี่น้องครับผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้นะครับเมื่อเราพบกับปัญหาเมื่อเราพบกับสภาวะที่ต้องตัดสินใจเมื่อเราพบกับสภาวะแห่งความกดดันและบีบคั้นไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรขอเราทำสี่ประการนี้ครับหนึ่งมอบถวายชีวิตของเรางานของเราทั้งชิ้นให้กับพระเจ้า 2. สองแสวงหาสิ่งที่จะทําให้พระองค์พอพระทยัย แล้วตัดสินใจสามก่อนตัดสินใจนั้นให้ปรึกษาคนที่มีสติปัญญาและรักพระเจ้าเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการให้คำปรึกษาในแขนงต่างๆสาขาต่างๆวิชาชีพต่างๆครับเราจะต้องมีที่ปรึกษาครับที่ปรึกษายิ่งมากงานก็ยิ่งสาเร็จและการสุดท้ายครับเราจะต้องเคลื่อนตัวเอง เคลื่อนตัวเองต่อไปด้วยความไว้วังใจพระองค์ว่าพระองค์จะทรงโปรดดูแลรายละเอียดต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราทําตามหลักการเหตุผลแต่ลืมคิดถึงข้อยกเว้นลืมคิดถึงรายละเอียดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมผมอยากจะบอกว่าพระบิดาของเราบนสวรรค์ครับพระองค์ทรงห่วงใยเรามากและห่วงใยเราเสมอ พระองค์จะทรงปิดช่องทางที่เราจะตัดสินใจผิดครับหรือบางครั้งเมื่อเราตัดสินใจทําอะไรผิดพลาดไปพระองค์ก็จะทรงเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีหรือทําใหญ่ให้กลายเป็นเล็กปัญหาใหญ่จะกลายเป็นปัญหาเล็กอุปสรรคใหญ่จะกลายเป็นอุปสรรคเล็กและพระองค์จะทรงแก้ไขในสิ่งที่เราทําผิดพลาดไปแล้วเมื่อเรามอบแผนแด่พระองค์แล้วทําสิ่งที่ดีสุดแล้วด้วยความเพียรพยายามที่เหลือนั้นเราขอมอบให้กับพระเจ้า แต่ถ้ า, าเราพยายามนะครับทํำสิ่งต่างโดยปราศพระเจ้าแล้วเราก็สิ่งนั้นจะไร้ความหมายขอให้เรารู้นะครับว่าความสำเร็จของเราทุกอย่างมาจากพระเจ้าการบรรลุเป้าหมายมาจากพระเจ้าการมีชีวิตที่ดีน่าพึงพอใจและก็มาจากน้ำพระทยัยและแผนการดีเลิ่ประเสริฐของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราครับให้เรารู้และขอบพระคุณอาเมน